ก ร, ก, กระบือกกระใบเนี่ยนะกระใบเป็นภาษ า, ขาเขมรเนี่ยนะเลยเรียกกระบือก็เป็นควายที่มีกายอ้วนพีมีกําลังมากใหญ่โตแล้วก็ดูหน้ากลัวพิลึกก็แปลงว่าเป็นถ้าเห็นแบบทั่วไปวิ่งหนีเลยนะก็ควายบางตัวนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะใครที่เลี้ยงมาเนี่ยจะรู้เลยโวหน้ากลัวมากๆเลยเราเห็นแล้วยังกลัวเลยอะ่ะ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 เรีว่าลามกตัวนี้มาจากคําว่าบาปนะลิงปลาผู้ใจบาปลุ ก, ล ก, ลกเล็กลอกเลกนะวันนี้ไปเห็นมาเยอะเลยที่เขาตะเขา่าเขาตะเขาโอ้ยเยอะเลยปกติของลิงนะเขลูกเล็กลอกเล็กนะมาณนะที่นั้นเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็มาถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดที่คอที่หน้าผากที่คิ้วแล้วก็เบียดเบียนเรา หมายถาว่าไอ้รถถ่ายอุจาระปัสสาวะรถเนี่ย น, นี่อย่างหนึ่งไอ้ที่มานั่งแบบมากวนจับเขย่าเขาเล่นอะไรแต่นั่นก็กตัางหากันนะเล่นเบียดเบียนอยู่จนมันสะใจนั่นก็ไปวันวันหลังใหม่ก็เอาใหม่เนี่ยนะมาถายอุจาระปัสวะรถเขยา่าขี่เล่นอยู่นั่นแหละแล้วก็ผ่านไปวันที่สองวันที่สามวันที่สี่อากนี้ทุกวันเนี่ยนะเราจึงเป็นผู้อันลิงนั้นเบียดเบียนตลอดการทั้งปวง เทวดาเห็นเราถูกลิงเบียดเบียนก็กล่าวคํานี้กับเราว่ า, ท, าท่านจงยังลิงลามกตัวนี้ให้ชิบหายตายหงเสียหมายว่าฆ่ามันเสถรว่าั้นฆ่ามันด้วยเขาและด้วยกรีบเถิดฆ่าด้วยเขาก็คือขีดให้มันตกลงมาแล้วก็เหยียบซะให้มันตาย น, นะเขาก็กรีบหมายว่าเขาก็ขิดใช่ไหมกรีบก็คือเท้าอ่ะก็เหยียบซะเมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้ในครั้งนั้นแล้ว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 และวินยูชนทั้งหลายก็จะพึงติเตียนเราเราเป็นผู้บริสุทธิ์ความตายตายด้วยความบริสุทธิ์ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ที่น่าและอายเสียอีกหมายคาอว่าถ้าลิงมันจะรดอุจจาระใส่ซะจนตายก็ยังเป็นประเสริฐกว่าค่าลิงแล้วก็มีชีวิตอยู่งั้นอย่างไรเสียอย่างไรเราจัดเบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตแล้ว บุคคลผู้มีปัญญาอดกลั้นถ้อยคําดูหมินในเพราะของคนเลวนะคนเลวเขาจะมาดูหมินนะคาดูหมินจะมาจากคนเลวคนปานกลางหรือคนสูงก็ตามถ้าอดกลั้นคําดูหมินได้อย่างนี้ตามใจปรารถนาก็คนที่มีปัญญานี้เขาจะอดทนได้ทั้งหมดนะจากถ้อยคําที่คนอื่นดูหมินและเหยียดหยาม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 นี่ก็ไปอยู่ในป่าชายพวกเด็กเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็ไปเลี้ยงไปก็ไปทักกับพวกหรือทักกันนะนะท่านเป็นใครท่านเชื่ออะไรท่านก็เฉยไม่ตอบอันนี้ก็หาไม้ไปแย่หูแย่ซ้ายแย่ขวาไปเอาฝุ่นรถอะไรรถแทบจะแทบจะปัสสาวะรถอ่ะนะมันครับบางคนอ่ะท่านก็ทนอุเบกขาท่านจะลองว่าท่านจะทําใจเหมือนแผ่นดินได้หรื อ, อยังนะนะท่านท่านทำได้ขนาดนั้นไหมเป็นต้นนะ่นะ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 ครั้งนั้นมีลิงลามกตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้มาขึ้นที่หลังของพระโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็มาถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถจับเขาโหนตัวเล่นลนะนะก็อะไนะเป็นสถานที่เล่นอะไรนะเป็นบาร์เลยนะห้อยโหนสวายใจเฉกเลยนะแล้วก็เล่นเออก็ได้จับหางเล่นห้อยโหนพระโพธิสัตว์ก็ไม่สนใจการกระทําอนาจารความพฤติที่ไม่เหมาะสมของลิงนั้นเพราะอะไร เพราะท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยขันติความอดทนเนี่ยเป็นเยี่ยมเนี่ยนะก็ไอ้คาว่าขันติเนี่ยบ า, บางทีก็แปลว่าขอกันกินมากกว่านี้อนะคล้ายๆแบบนั้นไอะคําว่าขันติเนี่ยอดทนเนี่ยไม่ใช่กัดปันกรอดอไม่ได้แปลนั่นไม่ใช่นะคําว่าขันติในที่นี้หมายถึงว่าท่านนั้นนะะไม่ได้คือไม่ถือสานะไม่เก็บเอามาคิดอย่างนั้นเถอะน่เรียกขันติขณะเดียวกันก็เมตตาต่อลิงเมตตา ก, ก็คืออะไรเหมือนกับ พขมาสังเกตดูนะถ้าเป็นแบบคนผู้หลักผู้ใหญ่เลย่ะใครมาหยิกผมเล่นได้ไหมไม่ได้แต่ทําไมลูกนี่ทั้งหยิกทั้งควนทั้งทุบทั้งตีแล้วทําไมทนได้อะก็เพราะเมตตาที่มีต่อบุตรนั่นแหละด้วยเมตตาที่มีต่อบุตรนะคนอื่นนี่แม่มาจับชายเสื้อนิดหน่อยเนี่ยโอ้สั่งฆ่าสั่งประหารนายแต่ลูกนี่ที่ทั้งทุบทั้งเขี่ยทั้งตีทั้งดึงผมทั้งหยิกทั้งควนกันทั้งขึ้นขยมมาก็ทนได้หมดนะเพราะอะไรเพราะ เมตตาใช่ไหมความเมตตาของของผู้ที่มีเมตตาเนี่ยคนอื่นก็จะมาทํายังไงก็ลักษณะเดียวกันขณะเดียวกันก็กรุณาจะไปทําอะไรเขาจะไปถ้าเด็กมาตีเราแล้วเราตีเด็กตอบใช่ไหมใช่ถ้าเด็กมาหยิกเราเราก็หยิกตอบอย่างไงรู้เปล่าเราไม่ใช่พะะนันด้วยนี้ด้วยกรุณาก็เห็นว่าเขานี่มีความทุกข์ทั้นก็ด้วยอำ น, นาจของขันติคือคือวความอดทนที่เป็นเยี่ยมเมตตาที่น้อมประโยชน์เข้าไปให้กรุณาะนะ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 เพราะเหไรท่านจึงอดทนความดูแคลนของลิงชั่วช้านี้อยู่ได้จึงไม่ได้ลดใสเทวดาเสีนไหเทวดาเดือดร้อนนะท่านผู้ชมเดือดร้อนอ่างนั้นเพราะฉะนั้นเทวดาก็เลยมาบอกว่าท่านจงยังลิงลามกตัวนี้ให้ชีพหายเสียด้วยเขาและกีบเถอะพระพธิสัตว์ตอบว่าไงตอบว่า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 ท่านระ ล, ลึกชาติได้ทั้งหมดนะท่านรู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้าท่านรู้ดีรู้ชั่วว่าทำยังไงจะเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะมห ah ิสาราษีท่านรู้เนี่ยนะเมื่อท่านรู้ท่านจะไปเปื้อนบาปทำไมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมะอลามกเหล่านั้นเนี่ยนะเห็นป่านั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้บทว่าศีลันจะเม ปภิดเฉยะศีลของเราก็จะพึงแตกะนะหมายความว่าถ้าหากว่าเราฆ่าลิงศีลบารมีของเราก็แตกบทว่าวินยูจะคราไฮยงมังเทวดาและมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตก็จะพึงติเตียนเราพระโพธิสัตว์ท่านกลัวคนอื่นก็ติเตียนว่าอย่างไรพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจงดูพระโพธิสัตว์นี้เที่ยวสแสวงหาโพธิญาณแต่ได้ทาความชั่วฆ่าลิงเห็นปานี้เนี่ยนะ เขรียอะไรนะแทนที่อะไรนะชื่อเสียงเสียหายขนาดไหนสมมติถ้าฆ่าลิงไปยังไดูซิเนี่ยพระโพธิสัตว์เที่ยวหาสแสวงหาโพธิยานลิ้ยงมาอุจจาระใส่ฆ่าลิงเลยอย่างนั้นเลยเสียหายหมดเสียศักดิ์ศรีพระโพธิสัตว์หมดนะเสียสถาบันโอ้เสียหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าลิงได้อย่างไงบทว่าอธิบายว่าความตายด้วยความบริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างประเสริฐอุดมดีกว่ามีชีวิตอยู่ ถ้าหากว่าจะต้องอยู่แบบถูกวินยูชนติฉินนินทาติเตียนด้วยประการชนีนะถ้าหากว่าต้องอยู่แล้วถูกติเตียนแบบนี้เนี่ยนะเขาจะตำหนิยังไงดูซิพระโพธิสัตว์ฆ่าลิงยังไง น, นนะีจะไปเพาะได้ยังไงใช่ไหมบทว่ากยายหั่งชีวิตะให้ตูปิกาหามิอ่าประเหตหนังอย่างไรเราจักเป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเล่า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 ตายแล้วทําไมเราต้องไปเปื้อนบาปด้วยเนี่ยนะทำไมไหนๆเขาก็ต้องตายอยู่แล้วทำไมเราต้องไปไปเปื้อนบาปด้วยพญากระเบือนนี้ท่านก็คิดอย่างนี้ว่าลิงตัวนี้ยังไงก็ถูกฆ่าตายนะโดยพฤติกรรมแบบนี้ถูกฆ่าตายแน่นอนทําไมเราต้องไปเปื้อนบาปกับเขาท่านก็เลยกล่าวว่าเรานี่จะอดกลั้นคําดูหมิ่นเหยียดยามที่คนเหล่านั้นเนี่ยนะมีได้จําแนกแล้ว บทว่าเอวังละปฏิสัพ ป, ปัญโยคนมีปัญญาไม่ได้ทำการจำเนกในคนเลวเป็นต้นอย่างนี้เข้าไปตั้งขันติมีเมตามีความกรุณาอดกลั้นความผิดนั้นเพิ่มภูณศีลบารมีเป็นต้นย่อมได้คือย่อมแทงตลอดสัพพันยุตยานตามใจปรารถนาคือตามความต้องการความปรารถนาของเขานั้นอยู่ไม่ไกลนักหรอกคือท่านเห็นเลยว่าถ้าท่านอดทนได้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 กระเบือนั้นล่วงไปสองสามวันก็ไปที่อื่นกระบือดุตัวอื่นก็ไปตั้งหลักฐานนะที่นั้นเพราะเป็นที่อยู่สบายร่มก็ดีหญ้าก็ดีไม่ไกลน้ํากระบือป่าก็ไปอยู่ไอ้ลิงชั่วก็สําคัญว่ากระบือตัวนี้ก็คือกระบือตัวเก่านั่นแหละก็เลยขึ้นหลังกระบือดุแล้วก็ทําอนาจารอย่างเดียวคันทายอุจรภาปสวะรคเป็นต้นเนี่ยนะไอ้กระบือดุตัวนั้นก็สลัดทิ้งให้ตกลงที่พื้นดินแล้วเอาเขาขิดที่หัวใจเอาเท้าเหยียบจนแหลกเลวไปเลยเนี่ยนะ แต่ก็ควายบางตัวนี้ดุดุจริงๆเลยมาเคยโดนมันไล่ประจำเลยบางตัวนี่มันดุดุมากน้องเรื่องนะเคยเลี้ยงเคยเจอดุไหมนนพวกเผ่าพันธ์อะไรมาหีสปาละอะไรนะโคบานก็เลี้ยงโคใช่ไหมมหีตาลก็คือพวกเลี้ยงควายเนี่ยนะเด็กเลี้ยงควายก็บอกว่าคุณธรรมมีความอดทนของลิงพวกนี้อของ ของของกระบือเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับหัตถีนาคหัตถีนาคาจาริยาก็คือพญาช้างภูริทัตตาจริยาก็คือาาภูริทัตตาจำเปะยะแล้วก็นาคราชจริยาท่านเหลนี้ก็เป็นนาที่มีความอดทนเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดๆท่านก็อดทนส่วนเกี่ยวกับเรื่องพญาเนื้อก็คงเป็นตอนเดียววันพรุ่งก็จะได้ถึงเรื่อง รู้รู้มิขาดจริยาเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่